ต่อไปข้อ3ทุติยาวิพัฒอัจฉริถีทุติยาวิพัฒในอัจฉรถีฉัตรถีเนี่ยเป็นชื่อวิพัฒวิพัฒน์หมวดที่6แปลว่าแห่งของเมื่อทีนี้ท่านให้ลงทุติยาวิพัฒแต่ว่าให้แปลเป็นฉัดถีวิพัฒเห็นวิพัฒเป็นทุติยาแต่ให้แปลเป็นฉัตรถี ไม่แปลเป็นธุติยาเพราะแปลเป็นธุติยาแล้วมันแปลไม่ได้ลองแปลดูก็จะรู้เองดูตัวอย่างข้อหนึ่งอันตังราจะอังราชคหังอันตังราจะนาลันทังอัฐานามคะปฏิปันโนอา้าวหนังสืออันพิมพ์มันโดดไม่จบบรรทัดนะโดดไปอยู่โน่นดูนะคล้ายๆประโยคที่เราว่าเมื่อวานใช่หไหมพระกบโตสิคิตส ป, ปิ พระกโตวิปัสสีสะปิวิสีสะเมื่อวานน่ะพระกบฏโตวิปัสสิสะพระกโตสิขิสะพระกโตเวสพุทธสะอันนี้ก็เหมือนกันอันตราชาจราชหังอนตัราชานารันทังอัธนามัคคปฏิปันโนอัธนะแปลว่าทางไกลอัธนะแปลว่าทางไกลมัคคะนั่นแหละแปลว่าทางอัธนะแปลว่าไกล อานมัคคะจึงแปลว่าหนทางอันยาวไกลปฏิปันโนแปลว่าเดินแปลว่าเดินไปแปลว่าเดินทางไปดังนั้นคําที่ยาวๆเนี่ ย, วยรวมกันแล้วแปลว่าผู้เดินไปสู่หนทางอันยาวไกลถ้าแปลไทยง่ายๆเขบอกว่าเดินทางไกลเดินทางไกล อัธนะไกลมะะัคคะทางปฏิปันโนเดินเดินทางไกลแต่เป็นวิเศษณะแปลว่าคู่ผู่เดินทางไกลไปถึงไหนเดินไปเดินไปในถึงไหนอันตังราจะราชักหังอันตังราตัวนี้เป็นนิบาตแปลว่าในระหว่างในงระหว่างทั้งสองอันตังราเลยอันตังราแรกก็ในระหว่างตังราหลังก็ในระหว่าง อันต่างราในระหว่างราชกหังและนาลันทังเนี่ยลงทุติยาบิพัฒน์แต่ให้แปลเป็นฉัถีแปลว่าแห่งอันตังราในระหว่างราชกหังแห่งกรุงราชคฤจ ะ, ะด้วยอันต่งราในระหว่างนาลันทังแห่งเมืองนาลันทาจะด้วยจะด้วย ด้วยและเดินทางไกลจากกรุงสาวัตถีจะไปกรุงราชคือพอไปถึงระหว่างกลางเนี่ยถึงระหว่างกลางระหว่างตะบนนาลาธากรุงราชคือนี่แหละก็ได้พบใครต่อใครอีกมากมายพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมอีกมากมายและประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคของพระพุทธเจ้าก็มีเป็นประโยคของภาษาริบุตรก็มี เป็นประโยชของพระมหากัะสปะก็มีประโยคเดียวกันนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเสด็จดำเนินทางไกลในระหว่างนะเมาถึงตัวนี้มาถึงระหว่างกลุก่มราชคฤกับตำบลนารันทา น, นี่แหละดังนั้นรูปศัพที่ใช้ในทีนี้ใช้ว่าราชขังลงอังทุติยาวิพัฒต์ถ้าเราแปลเป็นทุติยาลองหาคำแปลมาดูซิ ซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกะเฉพาะเราจะแปลอันไหนดีในระหว่างซึ่งในระหว่างสู่ในระหว่างกะในระหว่างสิ้นมันไม่เข้าขนาดนั้นเนะ่ยมันบอกไม่ได้นั้นในระหว่างแห่งมันก็จะเข้าชัดกว่าดังนั้นท่านจึงบอกคําแปลว่าพราชกหังนารันทังเนี่ยให้แปลทุติยาวิพัตน์เป็นฉัตรถีวิพัฒน์จึงจะได้ความหมาย ถ้าแปลเป็นทุติยาอย่างเก่าไม่ได้เนื้อความตรงที่ประสงค์ให้แปลเป็นชาติถีเอา ม, like มีแต่ไม่อยู่ในประโยคอันตรายจาอย่างนี้มีคําอย่างนั้นมีแต่ไม่เป็นประโยคประยโยคโวหารแบบเนี้ยประโยคสำนวนแบบนี้ไม่มีมีรูปมีรูปอื่นมีดันั้นถ้าเห็นอันตรายจ่ากราชัองอันตรายจานาันทังเนีาา่ยให้แปล ธนิยายพัดเป็นชาถีถ้าไม่มีอันตรายไปแล้วก็แล้วไปจริงๆพระพุทธเจ้าก็คือสเสด็จ ด, ดเดินทางไกลไปสู่กรุงราชคือเดินทางไกลไปสู่นารันทาใช่ไหมถ้าพูดอย่างนั้นนะเอ๊ะเราจะไปไหนกันแน่จะไปไหนเนี่ยเราตอนเนี้อยู่ไหนดังนนะั้นพอเพิ่มอันตรามาใส่ก็เลยบอกว่าอันตรายคือในระหว่างพอเดินทางมาถึงระหว่าง ราชคือกับนาลันทาเนี่อันนั้นในความที่ท่านเมื่อกี้เพื่อจะให้แสดงให้เห็นว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่บอกให้รู้ว่าใครก็ตามที่จะเดินทางมาก็ตอนเนี้ยอยู่เส้นทางระหว่างที่จะไปนาลนธากับราชคือแล้วแต่จะเลี้ยวไปทางไหนมาถึงตรงนั้นน่ะใช่เดินทางมาถึงตรงนั้นพอดีเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนเนี้ย ประมาณ45โยตจากสาวถีมาราชคื อ, อ, คอาาก็คูณด้วย16กิโลดูครับ ค, คูณด้วย16กิโลกี่กิโล45 ค, คูณด้วย16อ้าวโยมคิดเข้าใครทำการค้าขายคิดเร็ว บางทีคิดก็ก็คิดมากไปเนี่ยอย่างร้านหน้าวัดเนี่ยตมาพาเด็กเข้าไปสั่งน้ําสั่งน้ําซื้อน้ําแข็งสองถุงเครื่องคิดเลขมาก ด, ด, ดออ <laughs> ตมาว่าอุ้ยไม่ต้องคิดหรอกจ่ายเลยหบาทเพราะน้ำ ถ, ถุงก็สามบาทอะไรซื้อน้ำแข็งยูนิคสองถุงกดเครื่องคิดเลข <laughs> แค่หกบาทหรือคิดกว่าจะคิดได้ไม่ใช่ง่ายนะมาเคาะเคาะเคาะตัวเลขมันไม่ขึ้นดูต่อไปประโยคที่สองดูประโยคที่สองนะนันทิงเนงรัญชะรังปติปติตัวเนี้ยเป็นปติอุปสัค ซึ่งปฏิอุปสรรคตัวนี้บ่งบอกให้รู้ว่าทุติยาวิพัฒน์ที่มาอยู่ใกล้มันเนี่ยให้แปลเป็นฉัตถีวิพัฒน์ทันทีนะให้แปลเป็นฉัตถีวิพัฒน์ปฏิตัวนี้แปลว่าใกล้แปลว่าในที่ใกล้มีคําแปลอยู่แล้วข้างล่างนั่นแหละปฏิในที่ใกล้ในที่ใกล้ซึ่งภาษาบาลีไม่ใช่ต้องแปลว่าที่ใกล้แห่ง<า>นะนก็เป็ตัวปฏิมันก็ไม่ได้แปลว่าใกล้ไม่ไม่แปลครับ แฝดได้หลายอาัด ค, ค, ครับปตียอุปสรรคครับแปลว่าใกล้มีปติในที่ใกล้ณทนะิงแห่งแม่น้ําเนงรันช่างรังชื่อเนงรันชราใกล้แม่น้ําเนรัญชรานีตรงไหนท่านก็ถามว่าอยู่ตรงไหนนังไงณทิงเนรัญชรังปติถ้าเราบอกว่าวัดมหาธาตุอยู่ที่ไหนเราก็บอกว่าเจ้าพญานาทิงปติ ใกล้แม่น้ำเจ้าพญาโอ้ยแม่น้ำเจ้าพญามังแต่สุขนะครสวรรค์จะถึงปากน้ําสมุทรปา ก, การตรงไหนบอกใกล้สนามหลวงแล้วกันครับสนามหลวงก็ราชังขนังปติครับรนสนามหลวงบาลีว่าราชังขนงัง ราชาในแปลว่าพระราชาอังคณาในแปลว่าสนามครับสนามของพระราชาสนามของพระราชาเอ้าที่ไหนอ่ะอังที่ไหนตามสลับเสียงสั้นนี่เ็หินก็เอ้าก็ถูกแล้วเงินนัททิงนี่ไงก็นีก่ก็หินก็สลับเสียงสั้นสลีอ่ะไมไ่เป็นนัททิงซะหน่อยนัททิงเนี่ยโอ้ยบอกมาหลายทีแล้ว ถ้าเป็นสระอีมาก่อนไปผุหพจนิยมเป็นทีฆะถ้าเป็นทีฆะมาก่อนไปเอกพจนิยมเป็นรัศศะจําได้ไหมมันก็ต้องรัศศะครับลองวิพัฒนเอกพจนทุกตัวลบต้องเป็นรัศศยเว้นสีวิพัฒนั้นณทิงแนงรัญช่างรังปติใกล้แห่งแม่น้ําในรัญชราเป็นแล้วเนี่ยเป็นประโยช อ๋อถ้าจะให้เป็นประโยชครบสมบูรณ์ใช่ไหมก็คือมีอีกเยอะมีประธานมีกริยายังไม่มีเลยืใยอใกล้แม่นม้ําสั้นๆถ้ายกมาแล้วประโยคนันยาวใกล้สนามหลวงก็นี่แหละราชังขนังปติวัดมหาธาตุอยู่ตรงไหนราชังขนังปติใกล้แห่งวัดมหาธาตุไม่ใช่ใกล้แห่งสนามหลวงในที่ใกล้แห่งสนามหลวง ปฏิไปว่าใกล้อืออะไรเหรอสรุปแล้วก็แปลว่าเดินทางไกลถึงระหว่างนงะเดินทางไกลไปถึงระหว่างกรุงราชช์กับเมือง น, นารันธาเดินเขาว่าเดินทางไกลทางไกลนี่ท่านบอกว่าคําว่าอัฏฐานะเนี่ยทางไกลเนี่ยนะต้องมากกว่าหนึ่งโยดขึ้นไป ถ้าไม่ถึงหนึ่งยดไม่เรียกว่าทางไกลยดหนึ่งก็สิบหกกิโลขึ้นไป น, นะจากบ้านมาโรงเรียนนี่กี่กิโลประมาณกี่กิโลสิบหกกิโลโอ้ยมาจากไหนสิบหกกิโลดอนเมืองลังสิตบางนาถึงไหมถึงสิบห้ากิโลไหมบางนาโอ้มีแต่คนเดินทางไกลหมดเลยเนี่ย คนเดินทางไกลอาทานามะขัปฏิปโนผู้เดินไปสู่หนทางอันยาวไกลอันตังราจะอันตังราในระหว่างราชหังแห่งกรุงราชคือจะด้วยอันตังราในระหว่างนารันทงังแห่งเมืองนารันธาจะด้วยผู้เดินทางไกลถึงระหว่างกรุงราชคือกับเมืองนารันธา พูดง่ายว่าเดินทางไกลไปถึงนะเด็กเดินทางไกลไปถึงระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันธาท้าตามานั่งรถไปเรียนประจำจาก็ขี้เกียจเหมือนกันก็นไม่ขยันนี่แสดงว่าขยันจริงๆนะมาเรียนได้นะสมัยตามาบวชใหม่นะห่างจากโรงเรียนเนี่ยประมาณกิโลครึ่งเดินนะเดินเท้าเปล่า เรียนแล้วก็มาสมัครเรียนตอนบวชใหม่เนี่ยมีเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมตรีแตามาเดินจากวัดที่อยู่มาวัดทีนี่ทางที่จะเดินวัดไปที่วัดอีกวัดหนึ่งที่จะเรียนหนังสือเนี่ยเดินผ่านตลาดมันไม่มีทางอื่นเลยเพราะทางอื่นก็เป็นทุ่งนาเป็นสวนมีถนนสายเดียวผ่านหน้าตลาดเลยพอฉันเช้าแล้วก็เดินมาเรียนแล้วก็เดินกลับไปฉันเพน ตอนบ่ายก็ฉันเพ้นเสร็จแล้วพักผ่อนระยะนึงก็เดินมาเรียนอีกเดินอยู่อาทิตย์หนึ่งครึ่งชั่วโมงประมาณนะั้นประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีเดินเดินอาทิตย์เดียวเลิกเลยที่เลิกนี่ไม่ใช่ขี้เกียจเดินนะอายแม่ค้าเ <c oughs> พราะราบวชใหม่ใช่ไมรมบวชใหม่ผมชีวอนเหลืองอ๋อยแล้วก็ถือย่ามอย่างนี้ซึ่งมันมันไม่เคยในชีวิต ยามพอยสอกเดินแล้วมันก็ถือไม่เป็นเดินเก้งก <point pole Tyson> ้างแก้ง <trabalhar> ก้างเหมือนพระบวชใหม่นั่นแหละแม่ค้าก็ถามไปไหนหลวงพี่ไปเรียนหนังสืออ้าวบวชแล้วต้องเรียนหนังสืออีกเลยก็เลยบอกว่าไอ้ที่บวชนี่แหละเพราะเหตุเรียนหนังสือนี่แหละก็เลยบวช พี่ดีนนะเนี่ยมาสีเดือนแล้วเนี่ยยังไม่ขี้เกียจเนี่ยพอพ อ, พอมาเดินครบอาทิตย์แล้วไปถามไปถามมึงพี่นี่ก็สอนหนังสือตกลงว่าปีนี้จะเรียนหนังสืออะไรบ้างตลอดทั้งปีจะเรียนหนังสืออะไรบ้างท่านก็จดชื่อหนังสือให้เน่มีนักธรรมมีวิ น, นัยมีอะไรจดมาแล้วต่อมาก็ไปขอไปขออุปชา ได้มาครึ่งเล่มเป็นนว่าก็ว่าครึ่งเล่มมันหายไปไหนไม่รู้เหลือครึ่งเล่มก็เลยเพราะว่าตอนนั้นจะจะซื้อมันไม่มีร้านขายอะต้องซื้อก็ต้องเข้าไปซื้อในจังหวัดจังหวัดในในสมัยนั้นจะเข้าจังหวัดต้องเดินทางเจเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงไปกลับวันเดียวไม่ได้แล้วเราไปไม่รู้จะไปนอนที่ไหนตั้งแต่เกิดมาจนจนบวชเป็นพระไม่เคยเข้าจังหวัดเลยนะในชีวิตไม่เคยเข้าจังหวัดเลยซึ่งห่างประมาณร้อยกิโลนะไม่เคยเข้าเลย ไม่รู้จะไปไหนก็เลยก็เลยไปฝากหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านจะไปขอนแก่นก็เลยฝากบอกว่าแวะตัวเมืองว่าฝากซื้อหนังสือนี้นี่นี่หน่อยแล้วฝากตังท่านนนั้ก็ซื้อมาซื้อมาแล้วมานั่งอ่านอ่านอ่านเอาละพอพแค่นี้พอไม่ไปโรงเรียนมันนอนอ่านหนังสือเองอายก็อายเดินเอ่านเดือนกว่ามั้งจบหมดเลยพอจบหมดแล้วก็ ไปท่องหนังสืออย่างอื่นบ้างอะไรบ้างมานั่งเขียนหนังสือพอ่อตมาบวชช่วงก่อนคขา้าพรรษาบวชวันที่หกเอาบวชวันที่หกวันที่สิบามก็สงกรานก่อนสงกรานเขาจะมีงานประจําปีงานมหาชาติเขาจะมีเขาจะมีพวกทาต้นกันต่า ง, างๆมาถวายพระตอนเทศมหาชาตินะก็จะมีสมุดมีดินสอห้อยมาทําต้นกันยอแย่หมดเลยสมุดเล่มละห้าสิบตังเล่มละสลึงมีประมาณสิบสองแผ่นอะไรนะหนังสือที่มัน แดงแดงกระดาษ แ, แดงนะครับชาวบ้านนอกเขามีขายแบบนั้นนะโอ้ยได้สมุดอย่างนี้นะสามลังใหญ่เลยเนะ่ยสมุดจดเนี่ยที่เขาเอาเอาเข็มร้อยผูกเชือกผูกเชือกมาเนี่ยนะใส่ต้นกันมาเนะี่ยมาแกะได้ดินสอตั้งตั้งหนึ่งสมุดอีกสองสามลังตอนนั้นอยู่แค่สององค์มียตมากั บ, บ, บเนน้องชายแบ่งครึ่งกันเลยอนะเนี่ยเราไปครึ่งหนึง่งนั่งจด คัดลายมือฝึกเขียนลายมือมนบทนี้เราท่องได้แล้วมันจะเขียนถูกไหมมานั่งเขียนเขียเขียนเขียนเขียนทุกวันทุกวันทุกวันจนไม่นานเท่าไหร่หนังสือลังสมุดลังทั้งหมดหมดทั้งลังเขียนอย่างเดียวเขียนฝึกเขียนลายรู้ไหมหลังจากนั้นมาใกล้เข้าวบันสาหลวงพ่อองค์หนึ่งเดินทางมาจากไหนไม่รู้ มาเห็นอัตมานั่งเขียนหนังสือประมาณสองทุ่มกว่าแล้วมาชี้หน้าด่าเลยเอ้หมอมถ้าบวชใหม่เขาเรียกหม่อมถ้าเรียกหม่อมอืนอกจากว่าคนรุ่นรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องเราถึงจะเรียกหลวงพี่เรียกคูบาแต่ชาวบ้านทั่ ว, วไปหรือคนผู้ใหญ่เขาจะเรียกเราว่าหมอมทุกวันนี้ตอตากลับไปยังเรียกห ม, อ, มอยู่นะ หมอมอะไรอา้าบวชมาตั้งยี่สิบปีภาษาทําไมเรียกหมอมอเยอะล่ะอา้าวก็ยังไม่ได้ส่งน้ําเป็นมหาไป เ, เป็นอาจารย์สัก ท, ทีก็เรียกหมอม์นี่หล <c oughs> ะเพราะเขามีประเพณีจะเลื่อนจากหม่อมไปเป็นอาจารย์รเนี่ยก็ต้องผ่านพิธีส่งน้ําไม่ต้องสอบไม่ต้องอะไรส่งน้ำเอา <c oughs> ชาวบ้าน <c oughs> พอพอธรมนั่งเขียนหนังสืออยู่ท่านไปเลยด่าเลยห <c oughs> มอมทําไมทำอย่างงี้งงเลยธรมาอ้าวทาไมล่ะครับ บว่มานั่งเขียนหนังสือกลางค่ำกลางคืนได้ยังไงบอกว่าทําไมเลยตาไม่ดีเลยไม่ใช่เนี่ยจีวรก็ไม่หม่มสังฆติก็ไม่อามาพาดปรับอาบัติทํามาปรับอาบัติเาทำไมกลางคืนแล้วปกติผ้าบ้าณ น, นอกนเขาสอนกันว่าพอตะวันตกดินแล้วต้องหม่มจีวรสังฆติพาดรัดเอเวไว้ตลอดนอนก็นอนอย่างนั้นเลยห้ามเปิดผ้า <c oughs> เปิดผ้าแล้วมันจะขาดที่ฐานโอ้ทำถือเขร่งคัดมากจนขนาดไม่ได้แกะผ้าออกจากตัวเลยกัางคืนรอรอนนนนน้อนนั่นแหละตมาวิ่งไหนเข็งคัดขนาดนี้เลยก็เลยถามว่ามีมีในหนังสือไหมหลวงพ่อมีมีเปิดอ่านเลยในนวากว่าว่าตมาไปนั่งอ่านแไม่เห็นมีข้อไหนเลยในนวากกว่าจน เรียนไปถึงนัธรมชั้นโทปีที่สองถึงได้อ่านเจอเรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามารัดติดตัวเอาไว้หมายถึงว่าถ้าอังรุนขึ้นไม่ได้อธิษฐานผ้าเนี่ยผ้าจะขาดอธิษฐานต้องสละผ้าทิ้งท่านเป็นห่วงวเพราะว่าสองทุ่มแล้วเราไม่มีจีวรเนี่ยจีวรก็วางอยู่ข้างๆกองอยู่เพอมันร้อนหน้าเมษาพฤษภาเนี่ยมันร้อนกองไว้แล้วก็มานั่งจดหนังสืออยู่อย่างนี้แหละทันว่าเราผิดวินัยวันนั้น ได้เขาเรียกว่าผ้าอังสะอยู่ในที่อยู่เป็นอยู่ในอยู่ในที่ส่วนตัวได้ออยู่ในที่ส่วนตัวได้ไดถ้าออกนอกอาวาสหรือว่ามีผู้คนไปมาก็ผมชีวรหน่อยให้ดูดีไม่ใช่ผิดวินัยนะไม่ผิดแต่ว่าให้ดูเรียบร้อยแต่ถ้าออกนอกเขตไม่ได้อยู่ใกล้สิ่งที่ควรเคารพนับถือไม่ได้ต้องต้องมีชีวร อ่ะดูต่อไปเลย อ, อีกอุทาหรณ์หนึ่งข้อ3อุปมายานณสังปฏิภาติอุปมาแปลว่าอุปมาภาษาไทยถ้าแปลอีกทีก็แปลว่าการเปรียบเทียบอุปมาการเปรียบเทียบหรือว่าการอุปมาทับศัพท์ไปแล้วภาษาไทยปฏิภาติย่อมปรากฏย่อมปรากฏ ยานัตสะกแกยานมังของเราของเราการอุปมาปรากฏขึ้นแก่ยานของเรายานก็คือปัญญายานนี่นะแหละดังนั้นมังตัวนี้เนี่ยเป็นอังธุติยาวิพัฒแต่แปลเป็นฉัตถิวิพัฒแปลว่าแห่งแปลว่าของอันนี้เขแปลว่าของ อุปมาเกิดขึ้นแก่ยานของเรามั่งแปลว่าของเราแทนที่จะแปลว่าซึ่งเราใช่ไหมแปลว่าของเราถ้าเกิดขึ้นซึ่งเรามันก็ไม่เข้ากันเกิดขึ้นแก่ยานซึ่งเราสู่เรามันก็ไม่เข้าแปลไม่ได้ดังนั้นมั่งจึงแปลเป็นฉัฏถีมิพัฒน์แปลว่าของเราอุปมาก็แปลว่าอุปมาปฏิภาติปฏิภ า, าติแปลว่าปรากฏ มาจากปฏิอุปสรรคและกพาธาติวิพัฒย์อย่างนี้เลยไม่มีแปลงรูปอะไรเลยพาในอาจว่าทิพติยังแปลว่าสว่างแปลวังรุ่งเรืองส่วนมีปฏิอยู่ข้างหน้าก็แปลว่าสว่างเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าจึงแปลว่าปรากฏเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเกิดขึ้นปฏิภาติแปลว่าปรากฏอุปมาการเปรียบเทียบปฏิภาติย่อมปรากฏ านัสะแกยานมังของเราเหมือนกับเราพิจารณาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเห็นอุปมาด้วยเห็นอุปมาด้วยเช่นพิจารณาเห็นจิตนี้ช่างผุดพองดุดใบบัวที่หยดน้ำไหลออกไปแล้วอะไรอย่างเนี้ยพราะน้ำไม่ติดในใบบัวชั้นใดเมื่อน้ำใบบัวเอียงน้ำไหลหนีหมด ใบบัวก็สะอาดสะอ้านพิจนาเห็นอย่างนั้นเห็นเห็นอะไรเกิดขึ้นพร้อมทั้งเห็นอุปมาน่อะล่ะครบแล้วพอข้อนี้ไม่ยาวแล้วก็ภาคภาษาไทยเป็นบาลีก็ไม่มีในข้อ3เนี่ยนะเพราะว่าเป็นเป็นอุทา a n s ที่มีใช้ไม่มากนะัมีเล็กน้อย